วันนี้เป็นวันพระรหัสที่30เมษา ย, ยนพุทธศักราช2563เป็นวันที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาฟังเรื่องความมหัศจรรย์ ของพระพุทธศาสนาคือความมหาหัสจันของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหนือกว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองจีนไม่ว่าจะเป็นพีระมิดที่ประเทศอียิปต์ หรือตึกระฟ้าสูงสุดในโลกที่ดูไบหรือยานอวากาศที่ส่งมนุษย์ขึ้นไปท่องโลกพระจันทร์กลับมาสิ่งเหล่านี้ในสายตาของคนในโลกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มาสจัจจร์อย่างยิ่งเพราะว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำกันได้ง่ายๆนั่นเอง ต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากต้องใช้ทรัพยากรมากถึงจะสามารถทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ขึ้นมาได้แต่สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้เมื่อมาเทียบกับความมหัศจรรย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นเหมือนสิ่งธรรมดาไป เพราะอะไรเพราะผลที่กระทบกับจิตใจของผู้ที่ได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นระหว่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่มีผลต่างกันเหมือนฟ้ากับดินคือผู้ที่ได้สัมผัสได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นั้นจะมีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่ชั่วระยะแรกๆที่ได้สัมผัสได้เห็นแต่หลังจากนั้นมันก็จางหายไปไม่ได้มามีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่ได้สัมผัสรับรู้เลยคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึกนึกคิด ของผู้ที่ได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเคยมีความทุกข์อย่างไรความทุกข์เหล่านั้นก็ยังคงอยู่ภายในใจเคยมีความวิตกกังวลหวาดกลัวอุ่นวายใจไม่สบายอกไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ความรู้สึกเหล่านี้มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนยังเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าผู้ใดได้มาสัมผัสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจจากความจากการที่เคยทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ความทุกข์เหล่านั้นจะหายไปหมดความวิตกกังวลความห่วงใยความเดือดเลือความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจความกระวนกวยกับสับกับสายความหวาดกลัวความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจนี้ จะ อ, อันตรธานหายไปหมดเลยนี่แหละคือความวิเศษความมาศจรันของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ในใจหรือที่จะปรากฏขึ้นมาในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรา ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจเช่นพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ประวัติของท่านถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของพระ อ, องค์ท่านแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หายไปได้พระธรรมคำสอนที่เราได้ศึกษาได้เรียนต่างๆได้เรียนรู้จากแหล่งต่างๆก็ไม่ได้สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หายไปให้หมดไปได้ พระอาริยสงสาวุกที่เราไปกราบไหว้ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้ทำให้จิตใจของเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้ยังเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจอยู่ยังไม่สามารถที่จะไป เปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเกิดขึ้นมาภายในใจจากการที่เรานำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือของพระอาริยสงสาวูของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจึงจะทำให้เกิดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาภายในใจได้ที่เราบกจะเคยได้ยินได้ฟังคำว่ามีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ที่เห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสง์สาวกของพระพุทธเจ้านี่แหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสง์สาวูปทั้งหลายได้เข้าถึงแล้วแล้วได้มาสอนมาบอกให้พวกเราที่ยังไม่ได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันประเสริฐ อันมหัศจรร์นี้ให้เข้าถึงซึ่งมีทางที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงได้ด้วยกันทุกคนไม่มีการาการกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นฆราวา์หรือเป็นนักบวชเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็ก เป็นชนชาติวัน น, ะนั้นวัน น, นี้เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะกำหนดให้ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันมหัศจรรย์อันประเสริฐนี้สิ่งที่จะทำให้พวกเราหรือผู้ใดก็ตามที่มีความสนใจ ที่อยากจะสัมผัสกับความมาสัจจรรั์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จาเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือต้องศึกษาในเบื้องต้นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันพอได้ศึกษาแล้ว ท่านต่อไปก็ส่งสอนให้เรานำเอาไปปฏิบัติเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติที่ตรงต่อหลักธรรมความเป็นจริงทั้งหลายผลก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นการปรากฏดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมระดับต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติจะได้สัมผัสตามกำลังของการปฏิบัตินี่แหละคือการที่เราจะเข้าถึงความมหัศจรรย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เราจำเป็นที่จะต้องน้อมนำเอาใจของพวกเรานี้กลับเข้าไปข้างใน ด้วยทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระใจของพวกเราตอนนี้ไม่อยู่ข้างในชอบออกไปข้างนอกกันชอบออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ให้ความสุขให้ความเพลิดเพลิน เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆตามมาเวล า, าที่ขาดการเสพขาดการสัมผัสรูปเสียงกลธธธิ่นรสโผฏฐัพพะชนิด ต, ต่างๆนี่คือการหาความสุขของผู้ที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะส่งใจของตนให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพชนิดต่างๆที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขขณะที่ได้เสพได้สัมผัสพอ ขาดการเสพขาดการสัมผัสขึ้นมาความสุขที่ได้นั่นก็จะขาดหายไปก็ต้องมีการคอยเสพคอยสัมผัสคอยเติมอยู่เรื่อยๆและเวลาใดที่ไม่สามารถที่จะเสพสัมผัสหรือเติมความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆ เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถึงแม้สิ่งที่เคยเสพสัมผัสนี่จะวิเศษวิโสจะมหัศจรรย์ขนาดไหนก็ตามแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวนจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงหรือมีการขาดตอนช่วงที่สิ้นสุดหรือช่วงที่ขาดตอน ใจก็จะอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายจะมีความหดหดลำคาญใจมีความว้าเหวมีความเศร้าโศกเสียใจนี่คือการเสพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถึงแม้จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งเช่นถ้าได้ไปเที่ยวไปดูกำแพงเมืองจีน ไปดูพีระมริดหรือต่อไปเขาอาจจะมีการขายตั๋วให้นั่งเครื่องยานอาวกาศขึ้นไปเที่ยวในอวกาศไปโลกพระจันทร์ขณะที่ได้ไปเสพได้สัมผัสมันก็เกิดความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแต่พอหลังจากที่ได้กลับมาแล้ว ความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอะไรต่างๆที่ได้เสพได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆก็จะหายไปหมดก็จะกลับมาเจอกับสิ่งที่เมื่อเราไม่ชอบกันคือความรู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาความรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวความซึมเศร้าความเครียดต่างๆ นี่แหละเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ของสิ่งที่มีในโลกนี้จะให้ความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเชั่วเดี๋ยวเดียวชั่วที่ได้สัมผัสใหม่ๆแล้วต่อไปถึงแม้จะได้กลับไปเสพไปสัมผัสอีกก็จะไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเหมือนได้สัมผัสครั้งแรกพออะไรที่ได้สัมผัสได ได้ชินตาชินหูแล้วความรู้สึกตื่นเต้นตื่นใจตื่นตามันก็จะหายไปความรู้สึกจําเจก็จะเข้ามาแทนที่แล้วความจําเจนี้ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาตอบไปได้เราคงรู้กันอาหารจานโปรดที่เราชอบกันเวลาที่เราได้รับประทานครั้งแรกนี่เราจะรู้สึก มีความรู้สึกมีความสุขมากและอยากจะรับประทานอีกแต่พอเราได้รับประทานวันละสามมือ้อรับประทานไปสักสิบวันนี้รับรองได้ว่าความอยากจะรับประทานอาหารจานโปรดนั้นจะหายไปแล้วคิดว่ากลับมารับประทานข้าวเปล่ปาๆน่าจะอร่อยกว่าเพราะข้าวเปล่ปาๆกลายเป็นของแปลกประหลาดไปแล้ว เป็นของแปลกของใหม่ไปแล้วส่วนอาหารจานโปรดที่แสนจะวิเศษพอรับประทานกันจำเจแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่คือลักษณะหรือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราไปหลงเสพกันแล้วเข้าไปมีความรู้สึกมากส์ใจไปกับมัน พราะมันเป็นสิ่งแปลกใหม่เท่านั้นเองพอมันเป็นของจำเจแล้วมันจะไม่รู้สึกอะไรไปถามคนจีนที่ทมากินที่บนกำแพงเมืองจีนดูดูเข า, าเขาตื่นเต้นตื่นใจกับพวกคนที่ไปเที่ยวหรือไม่ความรู้สึกนี้ต่างกันคนละโลกอยู่สถานที่เดียวกันคนหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนพอได้เดินทางข้ามมาจาก สีกโลกไม่ได้มาสัมผัสเห็นเห็นก็เกิดความตื่นเต้นตื่นใจตื่ น, ต, นตาขึ้นมาแต่คนที่ทำมาหากินขายของอยู่บนกำแพงเมืองจีนก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกวันหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไรตื่นเต้นตื่นตาตื่ น, นใจแต่อย่างใดแต่ถ้าเราได้เสพได้สัมผัสกับ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี่มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกตื่นเต้นตื่ น, ต, นตาตื่นใจแบบถาวรมันจะไม่มีวันจางไม่มีวันหายไปมันจะมีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจอยู่เรื่อยๆมันเป็นความสุขที่ไม่มีวัน จางหายไปไม่มีวันหมดไปมันจะให้ความสุขหนอสุขเนอสุขเนอกับเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปหาอะไรมาเสพมาสัมผัสไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พะมาเสพมาสัมผัสไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พะอยู่ในป่าตามลําพังกับมีความสุข ยิ่งกว่าการอยู่ท้ำกลาง ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตพะชนิดต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าเองได้ทรงสัมผัสมาแล้วพระองค์เคยอยู่ในพระราชวงังอยู่่ามกลางความมั่งคั่งความโมโหลานของรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆแต่พระองค์กลับไม่ได้เห็นว่ามันมี มันให้ความสุขกัพระ อ, องค์แบบจีรังถาวรเลยแต่พอพระ อ, องค์ได้มาทรงตัดสัุ้อยู่ใต้โคนต้นโพธิ์ตามลำพังอยู่พระ อ, องค์เดียวพระ อ, องค์กับได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขของความมหาสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถที่จะเสมอเท่าได้ ความสุขของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรมาห้อมร้อมตาหูจมูกนินไกายขอให้เราดึงใจของเราให้กลับเข้าไปข้างในให้ได้แล้วก็กำจัดตัวที่คอยหลอกให้เราออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกใจให้ได้เท่านั้นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ มีไว้เพื่อสอนให้เราดึงใจกลับเข้าข้างในแล้วก็สอนให้เรากําจัดสิ่งที่คอยผลักดันใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆที่อยู่ภายนอกใจที่ทำให้ใจต้องไปเสพไปสัมผัสกับความทุกข์ต่างๆ เนื่องจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเวลาที่เกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆที่ได้มาไปจิตใจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี่แหละคือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเหมือนผู้ที่ได้เสพได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราทุกคนแล้วหลังจากที่ได้สรงคนพบวิธีที่จะทำให้ใจได้เสพได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจแล้ว ก็อุทิตเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่มาสอนมาบอกผู้ที่ยังไม่รู้ให้รู้จักวิธีที่จะดึงใจให้กลับเข้ามาพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขอันวิเศษที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกๆคนถ้าผู้ใด ได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่ต้องพบทั้งสามพระองค์ก็ได้องค์ใดองค์หนึ่งนี้ก็จะทําหน้าที่สอนบอกให้ผู้ที่ได้มาพบได้รู้จักวิธีที่จะดึงใจของตนเองให้กลับเข้าสู่ข้างใน เพื่อไปเสพไปสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงอย่างยุค ข, ของพวกเรานี้เราก็โชคดีที่ยังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สองสองตัวแทนด้วยกันเกิดมีพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วยังมีพระอริยสงสาวกผู้ที่ ได้เข้าถึงความสุขอันวิเศษนี้แล้วที่มาพำมสอนมาคอยบอกวิธีของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขอันวิเศษนี้สำหรับชนชาติอื่นผู้ที่อยู่ประเทศอื่นนี้อาจจะไม่โชคดีเหมือนกับชาวไทยชาวพุทธเราเพราะถ้าอยู่ต่างประเทศ โอกาสที่จะได้เจอตัวแทนคือพระอริยสงสาวุนี้จะยากมากอาจจะได้แค่ได้สัมผัสกับตัวแทนคือพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นมีการแปลพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกไปเป็นภาษาต่างๆของแต่ละชาติ ก่อนหน้านั้นถ้าไม่มีการแปลก็ไม่มีชาวต่างชาติทางชาติตะวันตกนี้จะไม่มีไม่รู้เรื่องราวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยจนต่อมาระยะหลังนี้เมื่อมีชาวต่างชาติมาทาง ท, ทางทวีปเอเชียได้มาพบกับพะัะไตเปด ก, ก็เกิดความสนใจที่จะ ศึกษาเกิดความศรัทธาวิริยะอุตสาหะที่จะแปลพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาของชาติที่อยู่ในทวีปเอเชียคือประเทศศรีลังกาหรือประเทศไทยหรือประเทศอินเดียก็จะเริ่มมีการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลี ที่เป็นภาษาที่ใช้ในการบันทึกพระธรรมคําสั่งคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแปลไปเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรัร่งเศสภาษาอะไรต่างๆตามมาจึงทําให้ผู้ที่อยู่ต่างประเทศอยู่ทางด้านตะวันตกของโลกได้มีโอกาสได้พบกับพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับพระอริยสงสารมีชาวไทยเราเนี่ยนะเป็นชาวพุทธที่โชคดีเพราะนอกจากมีพระไตรปิฎกแล้วยังมีพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบในประเทศไทยอยู่มีอยู่จำนวนหลายรูปด้วยกันที่ จะพำนักอยู่ตามป่าตามเขาต่างๆของประเทศไทยผู้ใดที่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วและอาจจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีการไปแสวงหาเพื่อไปพบไปไปพบกับตัวของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อที่จะได้ศึกษาได้ร่ำเรียนพระธรรม ค, คำสอนจากภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยตรงพระไตรปิฎกนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นพระธรรมคำสอนแบบวันเวทางเดียวคือผู้ศึกษานี้จะต้องอ่านเท่านั้นแล้วจะต้อง แปลความหมายเอาเองส่วนการศึกษาจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เป็นการศึกษาแบบสองทางคือถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นฟังแล้วก็ถามกลับว่าตรงนี้ไม่เข้าใจหมายความว่าอย่างไร ผู้สอนก็จะสามารถบอกขยายความให้ผู้ฟังได้ฟังจนเกิดความเข้าใจขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าได้ศึกษาจากพระอริยสงสาวกแล้วการปฏิบัติน่าจะง่ายกว่าจะคืบหน้าได้เร็วกว่าจากการปฏิบัติจากพระไตรปิฎกด้วยตนเองพออการปฏิบัติจากพระไตรปิฎกก็ จะต้องมีการแปลความหมายของตัวหนังสือ ซ, ซึ่งถ้าแปลผิดความหมายไปก็จะทำให้หลงทางได้ไปผิดทางได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีพระธรรมคำสอนเลยถ้าไม่มีพระธรรมคาสอนเลยนี้ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นที่ไหนไม่รู้ว่าตัวเองตอนนี้ยืนอยู่ตรงจุดไหนและจะต้อง เดินไปในทิศทางไหนเพื่อให้ได้ไปสู่จุดที่ดีที่ที่วิเศษต่อไปแต่พอได้อ่านหนังสือธรรมะที่มีอยู่พระไตรปิฎกอย่างน้อยก็จะได้รู้เส้นทางของการดําเนินว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้แต่เราต้องการไปตรงจุดนั้นและทางที่จะเชื่อมให้เราไปถึงจุดนั้นก็มีอยู่ คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่อยู่ระหว่างทางสุดต่งสองทางด้วยกันคือคนในโลกนี้ทุกคนสแสวงหาวิธีดับความทุกข์ด้วยกันทุกคนเวลามีความทุกข์ก็จ ะ, สะแสวงหาวิธีดับสองทางสุดโต่งไม่เคยรู้จักวิธีสายกลาง คือจะหาจะดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายมาดับเหมือนกับเวลากินของเผ็ดก็ไปหาน้ำตาลมากินกบความเผ็ดไว้แต่พอน้ำตาลละลายไปความเผ็ดมันก็ยังอยู่ต่อไปเวลาคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะวิ่งหาความสุขกัน ไปทำอะไรดีอยู่บ้านเงาเบื่อนี่ก็เป็นความทุกข์แล้วหรือมีปัญหากับคนที่บ้านทะเลาะวิวาดกันหรือมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรต่างๆร้อยแปดทำให้ใจไม่สบายบางทีก็ต้องหนีมันไปห น, ปนีไปไปทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ลืมมันบางคนก็อาจจะไปพึ่งสุรายาเมาบางคนก็อาจจะไปพึ่งยาเสพติด บางคนก็อาจจะไปเพื่อการเสพรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยวิธีการต่างๆไปรับประทานไปดื่มไปดูไปฟังไปทำอะไรต่างๆซึ่งก็จะทำให้ความรู้สึกไม่สบายใจที่มีอยู่ในขณะนั้นหายไปได้ชั่วคราวแต่หลังจากนั้นไม่นานพอไม่ได้ไปทำอะไร พอกลับมาอยู่ที่เดิมก็จะกลับมาเจอเรื่องเดิมอยู่นนมันไม่หนีไปนี่เรียกว่ากล้าแบบชั่วคราวไม่ได้กล้าแบบถาวรอีกวิธีหนึ่งก็พวกวิธีของนักบวชหรือสีชีพรที่เห็นว่าวิธีที่จะกำจัดความไม่สบายใจต่างๆนี้ต้องทา ต้องกำจัดด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเช่นยืนแขยืนเท้ายืนขาเดียวไปนานๆยื่นแขนออกไปหรือนั่งบนที่นั่งที่มีของแหลมของคมหรือบางคนก็ใช้ของแหลมของคมทิ่มไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเกิดความทุกข์ทรมานแล้วทำให้ ความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หายไปชั่วข่าวพรามันดึงความสนใจให้มาอยู่กับความทุกข์ของทางร่างกายแทนแต่เดี๋ยวพอมันชินกับความความทุกข์ของทางร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่อยู่ดีวิธีทั้งสองทางนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ ท, ทดลองมาแล้วสมัยเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ก็ใช้วิธีการเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัทธ์ต่างๆเวลาวันไหนพระองค์รู้สึกเบื่อเศร้าหรือเหงาก็จัดงานเลี้ยงกันเชิญคนนี้คนนี้มาร่วมงานกันเอาดารานักแสดงอะไรต่างๆมาแสดงมาให้ดูให้ฟังเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจไปแต่มันก็ ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเดี๋ยวพอวันใหม่พองานหมดงานเลี้ยงจบไปก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิ ม, มก็ต้องคอยหางานเลี้ยงคอยจัดงานเลี้ยงกันอยู่เรื่อยๆอจัดไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพอถ้าเกิดเข้าสู่วัยชราเวลาแก่เวลาเจ็บนี่ทีนี้งานลงงานเลี้ยงก็ช่วยไม่ได้แล้ว เพราะร่างกายไม่สามารถที่จะ เ, เสพสัมผัสกับงานเลี้ยงต่างๆทางร่างกายได้เพราะร่างกายาหมดสภาพในการที่จะทำหน้าที่หาความสุขให้กับใจพระองค์ก็เลยต้องออกบวชเพราะเห็นว่านักบวชเป็นผู้ที่แสวงหาวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจได้ แต่ก็ได้ไปเรียนรู้วิธีแบบชั่วคราวคือการเข้าสมาธิเข้าฌานช่วงขณะที่เข้าสมาธิเข้าฌานความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่เวลาออกจากสมาธิออกจากฌานมาเดี๋ยวความคิดปุงแต่งก็ริ่มคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยคิดแล้วความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆก็ย้อนกลับมาใหม่ เมื่อส่งไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายๆรูปด้วยกันท่านก็สอนได้เพียงระดับสมาธิเท่านั้นไม่มีใครรู้วิธีที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ได้อย่างถาวนเพราะงงก็เลยต้องไปทดลองค้นคว้าหาด้วยตนเองเบื้องต้นก็ทดลองตามแบบพวกที่ใช้วิธีสร้างความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาตามความทุกข์แบบวิธีต่างๆ ให้กับร่างกายเพื่อที่จะได้เบี่ยงเบนความสนใจของจิตใจให้ออกจากความทุกข์ที่จิตใจผลิตขึ้นมาด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยความอยากต่างๆเพื่อให้ไปวุ่นให้ไปไปทุกข์ไปกังวลกับเรื่องของความทุกข์ทางร่างกายทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆแต่พอใจชินชากับความทุกข์ทรมานของร่างกายแล้ว ใจก็จะกลับมาสร้างความทุกข์ที่เคยสร้างอยู่ในใจต่อไปนี่วิธีใช้ความทุกข์ทรมานของร่างกายมาดับความทุกข์ทางใจก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันจะใช้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับความทุกข์ทางใจก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเมื่อใช้ไม่ได้พระองค์ก็เลยต้องค้นคว้าดูใหม่ทีนี้ใช้หลักการพิจารณา ด้วยปัญญาทรงเปรียบเทียบเวลาที่ใจสงบเป็นอย่างไรเวลาที่ใจไม่สงบเป็นอย่างไรตัวที่ทําให้แตกต่างระหว่างที่ใจสงบกับไม่สงบนี่คืออะไรก็ไปพบ ว, าว่ามันคือตัณหาความอยากที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนี่เองเวลาใจสงบตัณหาความอยากความคิดปรุงแต่งต่างๆก็หายไป พอออกจากสมาธิมาความคิดปรุงแต่งเริ่มคิดขึ้นมาความอยากก็จะตามความคิดปรุงแต่งมาก็เลยทรงสรุปได้ว่าเวลาที่ใจเกิดความทุกข์นี้เกิดเพราะความคิดปรุงแต่งไปคิดไปในทางความอยากนั่นเองความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคิดไปในสิ่งที่เป็นไปได้อยากในสิ่งที่เป็นไปได้ความทุกข์มันไม่เกิด เช่นอยากได้เงินพอได้เงินมาแม่ไม่ทุกชับกับดีใจกันแต่เวลาเงินหมดเราอยากจะให้เงินกลับมานี่มันไม่กลับมาสิทีนี้มันทุกข์เลยคนที่ล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากกลับไปรวยเหมือนเดิมอยากจะได้เงินทองที่สูญเสียไปนั้นกลับมายิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบวิธีดับความทุกข์ก็คือต้องดับความอยากนี่เองดับความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่อยากไปมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะทุกข์ไปเป่า อ, อยากได้ความสุขแบบถาวรจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทวพะ ก็ไม่ได้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยากอยากได้ความสุขจากการมีการเป็นแบบถาวรมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นได้อย่างถาวรมีได้อย่างถาวรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทรงเห็นว่าเป็นอนิจจงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นเป็นของธรรมชาติ ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลาบยศสร ะ, ะเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าเป็นเจ้าของก็เป็นแบบชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้าก็เร็วเจ้าของเดิมเขาก็จะมาะเขาก็จะมาดึงก็เอาไปเช่นร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นสมบัติของใครร่างกายนี้เป็นสมบัติของธรรมชาติ คือดินน้ำลมไฟเราไปแย่งเอามาจากดินน้ำลมไฟเราไปเอาดินมาส่วนหนึ่งเอาน้ำมาส่วนหนึ่งเอาลมมาส่วนหนึ่งเอาไฟมาส่วนหนึ่งมาผสมปรุงแต่งกันให้ปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดินน้ำลมไฟมันก็จะพยายามกลับไปหาเจ้าของเดิมของมันดินก็พยายามแยกออกจากน้ำน้ำก็พยายามแยกออกจากลมจากไฟ ธรรมชาติเหล่านี้เขาอยู่เขาอยากจะอยู่กับพวกของเขาเขาไม่อยากจะมาอยู่ร่วมกับพวกที่ไม่ใช่เป็นพวกของเขาที่มารวมก็เพราะถูกเหตุปัจจัยพามาให้มารวมกันแต่ตัวมันเองมันอยากจะกลับไปสู่ที่เดิมของมันกลับไปสู่น้ำก็อยากจะกลับคืนสู่น้ำแล้วมันก็ได้กลับสมใจมันเมื่อเวลาที่ร่างกายหยุดหายใจ พอลมไม่เข้าแล้วทีนี้ลมก็มีจะออกจะกลับไปอยู่กับลมนะเดี๋ยวน้ำก็ไหลออกมาจากไฟก็ออกมาก่อนลมไปก่อนพอสิ้นลมแล้วไฟก็ตามไปร่างกายก็เย็นต่อไปก็ขึ้นอืดแล้วก็พองแล้วก็มีน้ำอะไรต่างๆไหลออกมาตามท่อจนในที่สุดร่างกายก็จะแห้งกรอบ หลือส่วนที่เป็นส่วนแข็งหนังหนังก็เป็นหนังแห้งเหี่ยวเนื้อก็เป็นเนื้อที่แห้งเหี่ยวอวัยวะต่างต่างก็เป็นอวัยวะที่แห้งเหี่ยวทิ้งไป น, นานๆมันก็จะผุจะพังกลายเป็นดินไปนี่แหละคืออนัตตาคือไม่มีอะไรไม่มีใครเป็นเจ้าของจิตที่มาครอบครองร่างกายแต่ละดวงนี้เป็นเจ้าของได้เพียงชั่วคราว ครอบคลองได้ในกรอบของของเหตุของปัจจัยที่จะทำให้มันยังไม่เกิดความแตกสามัคคีเท่านั้นเองแต่พอเหนือวิสัยของเหตุของปัจจัยที่จะมาควบคุมให้ธาตุทั้งสี่นี้อยู่รวมกันธาตุทั้งสี่มันก็จะแตกธาตุแตกแตกสามัคคีแยกทางกันไปดินไปทางน้ำไปทางลมไปทางไฟไปทาง ส่วนจิตเองผู้ที่มาครอบครองก็ไปตามอำนาจของกรรมต่อไปอำนาจของบุญของบาสําหรับจิต ท, ที่ไม่มีการเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่จิต ท, ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าได้น้อมได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะ ดึงหรือผัก ด, ดันให้จิตไปในทิศทางที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎของกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตของผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้แหละจะสอนให้ผู้ปฏิบัตินี้กำจัดตัวที่คอยดึงจิต ให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบให้มาสร้างบุญสร้างกรรมแล้วก็ให้ไปรับผลบุญ ผ, ผลกรรมต่างๆตัวที่คอยทําหน้าที่นี้ก็คือตันหาความอยากนี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบด้วยการใช้ปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาญาณส่งทําใจให้สงบในเบื้องต้นแล้วก็นั่งแล้วก็พิจารณาดูความ ความแตกต่างของจิตใจเวลาที่สงบกับไม่สงบว่าแตกต่างกันตรงไหนก็แตกต่างกันตรงที่ความอยากนี่เองเวลาใจไม่สงบความอยากมันก็จะทำงานพอความอยากทำงานมันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความอึดอัดสร้างความรู้สึกอยู่ไม่เป็นสุขขึ้นมาจะต้องดิ้นไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตามความอยากนั้น ถ้าอยากรูปก็ต้องดิ้นไปหารูปอยากเสี <c oughs> ยง ก, <c oughs> ก็ต้องดิ้นไปหาเสียงอยากได้อะไรก็ต้องดิ้นไปหาสิ่งที่อยากได้อยากเป็นอะไรก็ต้องดิ้นไปตามสิ่ง <c oughs> ที่อยากเป็นแต่ว่าไม่ว่าจะได้อะไรมามากหรือน้อยมันก็จะต้องมีวันสินสส้นสุดลงพอสิ้นสุดลงก็ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องดิ้นไปหาใหม่ ถ้าไม่มีร่างกายก็ต้องดิ้นไปหาร่างกายก่อนเพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆที่ใจที่ความอยากต้องการความอยากต้องการรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ก็ต้องดิ้นหาร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีความอยากที่จะหาความสงบจากรูปประจานก็ต้องดิ้นไปหารูปประจาน ต้องมีร่างกายเพื่อมาฝึกมานั่งสมาธิเพื่อให้ได้รูปประชานถ้าอยากได้อารูปประชานก็เช่นเดียวกันนี่คือความอยากสารประการกามาตัหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัญหาความอยากหาความสุขจากรูปประชานวิภาวะตัญหาความอยากหาความสุขจากอารูปประชาน มีเป็นวิธีของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ผู้ที่ยังไม่ได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ไม่รู้ว่าการหาความสุขแบบนี้เป็นการไปหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้จากกามก็ดีจากรูปประฌานก็ดีจากอรูปประฌานก็ดีเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราว พอหมดไปก็ทำให้จิตอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหิวโหยที่จะบังคับหรือผลักดันให้จิตต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆและเวลาหาไม่ได้ก็รู้สึกทุกข์รู้สึกเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้า <c oughs> ได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้ท่านจะสอนบอกว่าวิธีหาความสุขที่แท้จริงนี้ ต้องการต้องกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้กำจัดกามตัณหาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกำจัดภาวะตัณหาความอยากเสบรูปประชาญกำจัดวิภาวะตัณหาความอยากเสบรูปประชาญให้ได้ถ้ากำจัดได้แล้วใจจะไม่มีอะไรมาสร้างความรู้สึกว้าเว อ้างว้างเปล่าเปี่ยวเดียวดาใจจะสงบโดยธรรมชาติของใจใจจะอิ่มขึ้นมาจะสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรให้กับใจเพียงแต่กำจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเท่านั้นเองพอตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจถูกกาจัดไปความสุขที่เป็นความสุขโดยธรรมชาติของใจมันก็จะโผล่ขึ้นมา เหมือนกับความเงียบเนี่ยความเงียบนี้เราไม่ต้องไปสร้างมันหรอกขอให้เรากำจัดเสียงต่างๆที่มันมาทำลายความเงียบท่านเองพอความเงียบหายไปอะไรโผล่ขึ้นไอ้พอพอเสียงต่างๆหายไปอะไรโผล่ขึ้นมาก็คือความเงียบนี่เองเความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรมันเป็นของมีคู่อยู่กับใจมาตลอด เพียงแต่ว่าถูกความหลงโมหะอวิชชามาหลอกให้ใจสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาเพื่อคิดว่าการการได้ทําอะไรตามความอยากแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นความสุขเพียงแต่เป็นความสุขแบบปลอมท่านั่นเองเป็นความสุขแบบชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ถ้าไม่หมดไปมันก็เบื่อ ถ้ามันหมดไปก็อยากจะได้ใหม่ถ้ามันไม่หมดมันเบื่อก็อยากจะหาของใหม่อยู่ดีนี่คือธรรมชาติของความสุขที่เกิดจากการทำตามความอยากต่างๆไม่ว่าจะหาอะไรมาได้มากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็าเร็วความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่เสมอแล้วมันก็เป็นตัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดอยากไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ทำตามความอยากความอยากมันก็เหมือนกับได้รับการต่ออายุถ้าอยากแล้วครั้งนี้ได้มันก็อยากจะมีครัง้งมีความอยากครั้งต่อไปเช่น อ, อยากสูบบุหรี่มวนนี้พอได้สูบบุมวนมวนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็มีความอยากที่จะสูบบุหรี่มวนใหม่ต่อไปพอบุหรี่มวนที่สูบอยู่นี้หมดไปความอยากมันก็ไม่หมดไปกับบุหรี่ มันกลับมีเพิ่มขึ้นมาอีกดีไม่ดีมีมากกว่าเก่ามีแรงกว่าเก่าด้วยสูบครั้งละมวนไม่ถึงใจครั้งต่อไปอาจจะต้องสองมวนถ้าดื่มสุราตอนต้นก็ดื่มทีละทีละนิดเทียบหน่อยต่อไปมันก็ไม่ถึงใจมันต้องทีละแก้วมันจะรู้สึกถึงใจขึ้นมานี่คือธรรมชาติของความอยากมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ มีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทําตามความอยากในทางตรงกันข้ามถ้าเราฝืนมันได้ความอยากมันจะลดลงถ้าเราฝืนความอยากครั้งนี้ได้ครั้งต่อไปการฝืนความอยากครั้งต่อไปมันจะง่ายกว่าครั้งแรกเพราะกําลังมันอ่อนลงหรือว่ากําลังสู้ของเรามันมากกว่ามันก็เลยทําให้ถ้าเราสู้ไม่ถอยไม่ยอม แพ้ความอยากทุกครั้งที่มันอยากนี้เราก็อยากไปทำตามมันแล้วเรามีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์สงสอนวิธีช่วยให้เราสู้กับความอยากได้ถ้าสู้กับความอยากแบบอดทนอดก้านนี่บางทีสู้ไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็บอกว่าใช้ปัญญาสิดูความจริงในสิ่งที่เราอยากดูดูมุมกลับบ้างอย่าไปดูมุมที่มันล่อใจเรา ไปดูมุมที่มันทำให้มันดีดใจเราถีบใจเราออกข่างอย่างเราไปมองของสวยเราก็อยากจะได้พอเราไปมองของไม่สวยของเสียขึ้นมาเราก็ไม่อยากได้นะมองความสวยของอาหารมันก็ไม่อมันก็อยากกินนะพอไปมองของเสียของอาหารขึ้นมาเวลาอาหารมันเน่าบูดขึ้นมานี่มันก็ไม่อยากกินขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าท่านฉลาดท่านให้เรามองมุมกลับ ย้อนกลับอย่าไปมองมุมที่ทำให้เกิดความอยากถ้ามองเห็นของสวยของงามของเจริญรุ่งเรืองนี่ที่เขาจัดมาโชว์กันตามร้านนี่ก็ไม่มีใครไม่อยากได้อยากก็ได้กันทั้งนั้นถึงขนาดบางทีไม่มีเงินก็ยังไปป่นไปจี้กันเลยแต่ถ้ามันมองมุมกลับว่ามันเดี๋ยวต่อไปมันก็จะกลายเป็นของเก่าของเสียไป มันก็จะไม่อยากได้หรือกลายเป็นภาระขึ้นมาอยู่ดีๆตอนนี้ไม่ต้องระวังไปซื้อสร้อยเพชรมาใส่ปับนี่นี่ระวังเลดีไม่ดีใครจะมาก็ตกสร้อยเมื่อไหร่ใครจะมาป้นมาที่เมืองหให้มองมุมกลับว่ามันไม่ได้เป็นความสุขอย่างเดียวมันต้องมีความทุกข์ตามมาถ้าคิดว่ามันเป็นความสุขถ้าคิดว่ามันดีก็ต้องมองว่ามันไม่ดีมันจะต้องมีวันเสียวันเสื่อมมัน ตว่ามว่ามันสวยมันงามเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปต้องมองก็เรียกว่ามองด้วยปัญญาคือมองอานิจจังนั่นเองอานิจจังคือการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเหมือนเดิมของต่างๆผลิตออกมาใหม่ๆนี้ดีไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไปดูห้าปีต่อมาอยู่ที่กองขยะนุ่นกลายเป็นของกลายเป็นเศษขยะไปเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เรา มองไม่เห็นกันหรือไม่ยอมมองกันไม่เชื่อมันเห็นเห็นขยะแต่ไม่เคยเชื่อว่าไอ้ขยะต่างๆที่เราเห็นแล้วพยายามปิดกั้นจมูกนี่มันมาจากของที่เราชอบทั้งนั้นน่ะของที่เราแย่งกันกินกันแย่งกันอะไรกันเนี่แต่พอมันกลายเป็นของเน่าของเสียไปมันก็เลยกลายเป็นของที่เราไม่อยากปรารถนากันนะเนี่ยเราต้องมองมุงกลับเนี่ยเราถึงจะได้เราจะได้เห็น เราจะได้ลดความอยากได้หรือมองถ้ามันสุขก็ต้องมองมุมทุกข์ขึ้นมาเช่นคนสูบบุหรี่เนี่ยวเวลาสูบแล้วรู้สึกสดชื่นได้ได้อากาศสดชื่นเข้าไปที่ไหนได้ได้มะเร็งเข้าไปเป็นมะเร็งปอดขึ้นมาไปดูคนที่ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ดูยดูแล้วก็เอามาเอามาเนิบอยู่ในใจ ฝังให้มันฝังอยู่ในใจไม่ให้ลืมนี่สําหรับคนที่อยากจะเลิกบุหรี่ถ้าติดบุหรี่เนี่ยไปดูคนที่เขาสูบบุหรี่มากๆแล้วเป็นยังไงเป็นโรคทางปอดกันแล้วมาเอามาจดเอามาจําไว้ในใจแล้วทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่พอนึกถึงภาพของคนที่ป่วยด้วยโรคทางปอดนี่ก็อาจจะทําให้ไม่กล้าสูบขึ้นมาก็ได้นนี่คือ ทางแนวทางของปัญญาปัญญานี้สอนให้เรามองมุมกลับกันอะไรที่ใจหรือโมหะอวิชามันหลอกว่าดีเราต้องบอกต้องหาดูให้ได้ว่ามันต้องไม่ดีมันต้องมีตรงไหนไม่ดีสักอย่างถ้าเรามองเป็นเราจะเห็นซื้อมาแล้วดีซื้อรถราคาแพงพายมาแล้วดีแล้วเดี๋ยวต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษามันแล้วส จะไปจอดที่ไหนจะไปทําอะไรบางทีกังวลนะเดี๋ยวรถใครจะมาขาโมยไปหรือเปล่าหรือเด็กมือบอนเอาอะไรมาขีดมาขูดหรือเปล่ า, อาพอกลับมารถเปลี่ยนสภาพไปหน่อยนี้ความทุกข์ความโกรธก็ปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีรถสัอย่างมันก็ไม่มีความทุกข์เหล่านี้ตามม า, า, าต้องมองแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากมันจะให้ความสุขกับเราแล้ว มันก็มีความทุกข์ติดมาด้วยเพียงแต่เรามองเป็นหรือไม่เป็นเท่านั้นเองอันนี้เราต้องหัดมองถ้าตั้งใจมองจริงๆมันมีให้เราเห็นทุกวันเน่ยเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ย เ, เ, เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์ของคนที่มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ทั้งนั้นพอไม่มีแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้น ม, มาหรือมีแล้วก็ถูกเขาป้นเขาจี้ไปมัน เอามาศึกษาได้เอามาคิดเป็นแนวทางสอนใจเพื่อให้สู้กับความอยากได้ถ้าสู้ด้วยสติหรือชูด้วยขันตินี่มันสู้ได้เป็นพักๆ พ, พอเวลาไหนเผลอถ้าขันติอ่อนสติอ่อนนี่เดี๋ยวก็แพ้เหมือนจนได้แต่ถ้าสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยการมองมุมกับของทุกอย่างเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมันไม่ใช่ดีทั้งสองด้าน เหรมันมีทั้งดีมีทั้งหัวทั้งก้อยมันไม่มีหัวด้านทั้งสองด้านหรือก้อยทั้งสองด้านทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีดีและไม่ดีมีด้านดีและมัด้านไม่ดีมีด้านสุขและด้านทุกมีด้านเจริญและมีด้านเสื่อมต้องมองให้เห็นมองเจริญกับมองความเสื่อมไม่เห็นถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม พระัญญาโกลธั ญ, ญะเห็นชัดบอว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีการเกิดแล้วต้องมีการดับเมื่อมีการเจริญแล้วต้องมีการเสื่อมนี่แหละเป็นวิธีการของปัญญาที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไป พอความอยากหมดไปแล้วก็เหมือนกับเรากําจัดเสียงต่างๆพอเราปิดเสียงต่างๆเสียงดังต่างๆหมดไปแล้วนี้อะไรปรากฏขึ้นมาก็ความเงียบความเงียบนี้เราไม่ต้องไปผลิตมันมันเป็นของที่มีอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วความสุขที่แท้จริงมันก็เป็นของที่เราไม่ต้องผลิตไม่ต้องสร้างกันขึ้นมามันเป็นของที่มีอยู่กับใจของพวกเราทุกคน เียงแต่ว่ามันถูกกลบด้วยความอยากต่างๆเท่านั้นเองถูกความอยากทางรูปเสียงกลิ่นลดกลไว้ถูกความอยากหาความสุขจากรูปประชานกดไวหาความสุขจากอารูปประชานกดไวมันก็เลยทำให้ความสุขนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับเสียงของความเงียบมันปรากฏขึ้นมาไม่ได้ถ้าตราบใดมีเสียงอืกก่กระทึกคึกโคมอยู่ตลอดเวลาแต่พอคนนอนหลับกันหมดแล้วเนี่ย ีไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วไม่มีอะไรนะทีนี้ความเงียบมันก็ดังขึ้นมาเลยจะเรียกว่าความเงียบดังไม่ทราบเป็นภาษาถูกก่าเปล่าไหอแต่มันจะปรากฏขึ้นมาให้เด่นชัดเลยโอ้ทำไมมันเงียบแล้วกันเช่นช่วงนี้ถึงแม้จะไม่เงียบสนิทเนี่ยช่วงนี้ก็เงียบไปเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ก่อนที่จะมีโรคระบาด ช่วงนี้ไม่มีโรคระบาดโอ้คนออกไปไหนมาไหนไม่มีค่ําไม่มีคืนไม่มีเช้าไม่มีสายออกกันได้ทุกเวลาความอยากมันพาให้ออกไปหาหนูน่นหานี่กันพอเจอโรคมาเบรกปั๊บนี่อยู่ในบ้านกันเยอะแยะไปสถานที่ต่างๆนี่เดี๋ยวนี้เงียบลงไปเยอะเพราะมีการเคลื่อนไหวน้อยลงเพราะไม่ต้องการที่จะไปเสี่ยงกับการไปติดเชื้อโรคนั่นเอง อันนี้ก็เหมือนการความอยากนี่ก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ต่างๆกิจกรรมต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆของคนในโลกนี่พอพอเราหยุดความอยากได้ปั๊บความสงบความสุขก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นเราก็เห็นได้จากการฝึกสมาธินี่แหละการเจริญสติเวลา เ, าเจริญสติทำจิตให้นิ่งให้รวมเป็นหนึ่งได้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้ ความอยากก็จะหยุดทํางานชั่วคราวแล้วความนิ่งความสงบความสุขที่เป็นธรรมชาติของจิตใจมันก็ปรากฏขึ้นมาไม่ต้องไปสร้างมันเพียงแต่หยุดความอยากเท่านั้นเองเหมือนกับหยุดความเงียบหยุดเสียงต่างๆความเงียบก็โผล่ขึ้นมาเองแต่การใช้สตินี้มันเป็นการกระทําได้เป็นพักๆเท่านั้นเองเพราะสตินี้ต้องคอยจเจริญอยู่เรื่อยๆ พอไม่เจริญพอปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปถึงเรื่องราวต่างๆความอยากต่างๆก็ปรากฏตามขึ้นมาความนิ่งความสงบของใจก็จะหายไปแต่ถ้าใช้ปัญญานี้มันจะกำจัดความอยากได้อย่างท้าวรเพราะปัญญานี้จะมองไปที่รากไปแก้ที่รากของความอยากคือความไม่เห็นความจริง เห็นเพียงครึ่งเดียวความอยากนี้ทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆเพียงครึ่งเดียวเห็นด้านสุขเห็นด้านเจริญเห็นด้านเกิดเห็นไม่ฉลองวันเกิดกันแต่ไม่เคยคิดว่าเด็กคนนี้ที่เกิดมาวันนี้เดี๋ยวต้องฉลองวันตายนะไม่มีใครคิดกันเลยดีใจกันใหญ่ได้ลูกได้หลานปู่ย่าตายายก็ดีใจได้หลานพ่อแม่ก็ดีใจได้ลูกกันแต่ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะต้องมาทําทํางานศพให้กับลูกคนนี้ก็ได้ ไม่คิดกันเนี่ยความไม่คิดความจริงอันนี้มันถึงเรียกว่าความหนงโมหะอวิชชาอืี่งั้นต้องมาหัดคิดนะคิดถึงจุดจบบ้างอย่าไปคิดแต่จุดเกิดทุกอย่างเมื่อมีเกิดแล้วมันต้องมีจุดจบของมันแล้วเมื่อคิดเห็นจุดจบแล้วมันจะได้ไม่ดีใจมันจะได้ไม่ยินดมีมันจะได้ปล่อยวางไม่ไปหลงไปยึดไปติดไม่ไปอยากได้ เมื่อมันไม่อยากได้แล้วถึงเวลามันจะจบทีนี้ก็ไม่มีความรู้สึกรุนวายใจไม่รู้มีความรู้สึกเสียดายเสียใจแล้วมันก็จะไม่คิดไปหาสิ่งใหม่อีกต่อไปความอยากได้นู่นได้นี่มันก็จะหายไปหมดความ ừ, พอหายไปหมดใจก็เกิดความสุขเกิดความอิ่มความพอขึ้นมาอก็เป็นการที่จะยุติ ป, ปัญหาต่างๆที่ พวกเรากำลังมีกันอยู่ขณะ น, นี้แล้วมีกันมายาวนานแล้วแลวจะมียาวต่อไปเรื่อยๆเพราะความอยากตัวสามตัวนี้เท่านั้นเองที่คอยดึงให้เราต้องไปคอยหาสิ่งต่างๆมาบำลุงบาเลอใจและพอเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขต่างๆมาบาลุงบําเลอใจมันตายไปเช่นร่างกายเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็มาใช้ร่างกายหาความสุขพร้อมๆกับไปเจอความทุกข์ต่างๆที่ตามมากับความสุขที่เราหามากันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ว่าตัวที่พาให้เราต้องมาเจอความทุกข์เจอปัญหาต่างๆก็คือความอยากทั้งสามนี้แล้วตัวที่ทําให้เกิดความอยากทั้งสามนี้ก็คือไม่ตัวที่มองไม่เห็นความจริง ของสิ่งต่างๆที่เราอยากเห็นเพียงด้านเดียวเห็นด้านดีเห็นไม่เห็นด้านไม่ดีพอศาสนาพุทธมาสอนให้พวกเรามองในด้านไม่ดีก็เลยไปตาหนิศาสนาพุดธว่าเป็นศาสนาที่สอนให้คนมองโลกในแง่ร้ายไปซีกลายเป็นศาสนาที่สอนให้คนมองโลกในในในแง่ไม่ดีไปซิแต่เขาไม่รู้ว่าการมองโลกในแง่ไม่ดีนี้เป็นวิธีแก้ปัญหา ซึ่งนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นความจริงอันนี้ได้ต่อให้เป็นนักบาตรรับรางวัลโนเบลในประเทศในโลกนี้กี่รางวัลก็ตามพวกนี้ไม่มีวันที่จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้พวกนี้ก็ยังเห็นว่ามีเจริญอย่างเดียวไม่เคยเห็นว่ามันจะต้องมีวันเสือ่อมเนี่ยแหละคือ ความมหัศจรรย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีอะไรเนในโลกนี้ที่จะสามารถที่จะมาเปรียบม า, มาเทียบเท่าได้ความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนานีนจะทําให้เกิดความสุขที่แท้จริงความสุขพิถาวรจะทําให้ความทุกข์ฟุ้นว่าใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของผู้ที่ไม่ได้สัมผัสผู้ที่ได้สัมผัสแล้วหายไปหมดน นี่ละคือเรื่องเราที่เราเรียกว่าวิเศษมหส า, ม า, สมาสัจรย์จริงว่าอมาสัมหาสัจรย์ของสิ่ ง, งต่างตาในโลกนี้เป็นมหาสั จ, จรย์ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครั้ ง, งที่ได้สัมผัสรับรูบ้ใหม่ๆเท่านั้นเองตื่นเต้นตื่นตาตื่ น, นใจถ่ายรูปกันเก็บมาดูกันมันลังดูกี่ครั้งก็ไม่ได้ตื่นเต้นตื่นตาตื่ น, น, นใจเหมือนกับการไปดูครัง้งแรกแต่ธรรมะที่เราได้สัมผัสในใจนี่ความสงบนี่ ความสิ้นสุดของกิเลสตัณหานี่มันประทับใจตลอดเวลาอาการิโกปบรมังสุขขังตลอดเวลาสุขน้อตลอดเวลานี่แหละคือความมาสัจจารย์ของพระพุทพธธรรมพระสงฆ์ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเรวหฮาปุราปริปุเรนติสักหลังเอวเมวอิโตทินังเปตาังอุปกปติอิชิตังปะิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติ อระโสยทธาสพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังุทธาปจายโนจตารูธรรมวัทันติอายุวันโอสุขัง พาลางังคิดว่าเรื่องที่เราจะกลับไปทำแบบเดิมนี้คงอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ยังต้องรอคอยอีกนานเพราะถ้าเรื่องโรคนี้มันยังไม่สิ้นสุดลงนี่โอกาสที่เราจะมาอยู่ใกล้ๆกันฟังเทศฟังธรรมเหมือนที่บนเขานี่มันจะทำให้โลกมันไม่มีวันหมด มันต้องเจอคนใดคนหนึ่งมีเชื้อมาติดมาแพร่โดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วที่ข้างบนถึงแม้ว่าจะกว้างแต่รางวันคนมาเยอะคนก็ต้องนั่งใกล้กันอะไรกันเดินสวนทางกันอะไรกันแล้วจะให้มาคอยจัดระเบียบมันก็ค่างเที่ยงค่อนข้างที่จะยุ่งยากลาบากแล้วที่นั่งที่มานั่งของแต่ละคน ถ้าใช้ของส่วนรวมก็ไม่รู้ว่าคนไหนนั่งแล้วมีคนไหนมีเชื่อไม่มีเชื้อถ้านั่งเสร็จก็ต้องมาค่าเชื่อกันอีกมันก็เลยจะเป็นค่อเป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรยังคิดว่าเราเอาทางออนไลน์กันดีกว่าสมัยนี้เขาใช้แบบผ่านทางออนไลน์กันออนทางอินเทอร์เน็ตกันทางมือถือกันฟังเทศฟังธรรมที่นี่หรือฟังเทศ ผ่านมือถือมันก็เหมือนกันอยู่ที่เราอยู่ที่คนฟังถ้าฟังเข้าใจแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้มันก็ได้ผลเหมือนกันที่มันอาจจะยากตรงที่เรื่องหาที่ปฏิบัติเท่านั้นที่หาที่วิเวกเพราะเดี๋ยวนี้ที่ไหนเขาก็ไม่อยากให้คนแปลกหน้าเข้าไปที่ใครอยู่ที่ไหนเขาก็จะให้อยู่ที่นั่นไปเพราะไม่รู้ว่าไปแล้ว จะเอาเชื้อไปแพทย์หรือไม่นอกจากว่าทุกคนมีการตรวจเชื้ออยู่เรื่อยๆรู้ว่ามีเชื้อแล้วไม่มีเชื้อแต่ไม่มีอะไรก็ดีเท่ากับการได้มีวัคซีนถ้ามีวัคซีนเมื่อไหร่ทุกคนฉีดวัคซีนปั๊บมีภูมิคุ้มกันโรคนะที น, นี้ใครมีเชื้อมาแพร่ยัไงก็ไม่ติดละก็มีหลายประเทศพยายามที่จะทดสอบวัคซีนกัน ข่าวล่าสุดนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าทางมาหลาลัยออกซฟอร์ดเขากำลังทดลองวัคซีนที่เขาคิดว่าอาจจะเอามาใช้ได้ภายในเดือนกันยาเนื่องจากว่าเขาได้ทำวิจัยเรื่องวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องโรคหวัดนี้มาล่วงหน้าก่อนแล้วเพียงแต่เขามาปรับเอาชื่อตัวใหม่นี้เข้ามาท่านั้นเขา็อาจจะลดขั้นตอนของการ ผลิตวัคซีนออกมาได้โดยปกติก็ว่าต้องใช้เวลาปีครึ่งถึงสองปีถึงจะมีวัคซีนที่เอามาใช้เพราะก็ต้องทดสอบให้แน่ใจว่าใช้ได้ผลแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนไม่ใช่ไปใช้แล้วเดี๋ยวเกิดโรคติดมาจากวัคซีนอีกก็ยิ่งยุ่งไปใหญ่ก็ขอให้เราใจเย็นๆเราก็อยู่ของเราไปตอนนี้เราก็รู้วิธีที่มันจะมาแพร่ส่วนใหญ่ก็แพร่ทาง ทางที่ออกมาจากทางปากทางจมูกเ่านี้แล้วเราก็เลยต้องใส่หน้ากากกันคิดว่าช่วยกันเราถึงแม้เราไม่เป็นหรือว่าเราคิดเราไม่เป็นเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าแล้วคนอื่นเขาอาจจะรับเชื้อจากเราโดยเขาไม่รู้สึกตัวก็ได้นอกจากถ้าเราอยู่ห่างกันอย่างตอนนี้นั่งอยู่ห่างกันตอนนี้ก็คิดว่า ที่จะไม่ได้ใส่หน้ากากได้แต่ถ้าต้องเข้าไปเดินไปในสารที่ชุมชนเพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไปต่อไปเขาก็จะเริ่มเปิดให้ออกไปทรมาค้าขายทรมาหากินไปซื้อข้าวซื้อของได้แต่จะต้องมีการมีมาตรการควบคุมป้องกันเช่นใส่หน้ากากแล้วยืนเข้าแถวก็ห่างกัน หกฟุตสองเมตรแล้วก็พยายามเช็ดมืออยู่เรื่อยๆเช็ดมือล้างมือเวลาที่จะรับประทานอาหารเวลาที่จะอะไรเข้าปากอันนี้ก็จะช่วยลดการแพร่ได้แต่มันไม่หมดเ็าว่าประสบะการณ์ที่ผ่านมาพ อ, พอรอบแรกมันลดตัวลงก็เกิดความประมาชะาช้าลใจ เริ่เกิดความขี้เกียจที่จะใส่หน้ากากกันเริ่มขี้เกียจที่จะยืนห่างกันพ อ, อนิสัยมันเคยความเคยชินมันก็อยากจะกลับไปทําความเคยชินแล้วมันก็จะทําให้เกิดการแพร่โรคระบาดรอบที่สองขึ้นมาได้แล้วแรงกว่ารอบแรกด้วยเช่นสิงค โ, โปร์นี่ตอนต้นเขาเคเล่าอยู่นะนี่มีรอบที่สองขึ้นมาญี่ปุ่นก็เหมือนกัน ตอนต้นก็คิดว่าเอาอยู่เลยเยังนีน้เราก็ต้องเอาบทเรียนของเขามาเป็นบทเรียนสอนเร า, าประสบะการณ์ของเขามาพวกเราโชคดีที่เราเอามีประเทศอื่นเขาเอามีประสบปการณ์ก่อนเร า, เ, าเราก็หัดเรียนรู้ไว้ให้เอ า, เอาความไม่ประบาทนี่แหละเป็นตัว ดำเนินวิธีชีวิตของพวกเราอย่าประมาทยอย่าไปอย่าไปปล่อยปละละเลยอวิธีการต่างๆที่เราใช้ป้องกันว่าอย่าไปคิดว่ายังอยากจะไปคิดว่าไม่จําเป็นแล้วตอนนี้ไม่มีโรคระบาดมีน้อยแล้วแต่นี่มันเป็นเพียงสถิติที่เขาวัดได้แต่ตัวเชื้อโรคจริงๆนี่มัน ในกลุ่มของเราเนี่ยอาจจะมีคนใดคนหนึ่งมีอยู่ก็ได้มีอยู่แต่ไม่มีอาการเมื่อเช้านี้คุยกับหมอเขาก็บอกมีคนสี่คนมาจากเมืองนอกไม่มีอาการแต่เขาตรวจมีเชื้อไม่มีอาการอะไรเขาก็เลยต้องกักตัวไว้แล้วก็คอยตรวจตรวจดูเชื้ออยู่เรื่อยๆก่อนจนกว่าไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วขเขานึงจะปล่อยให้กลับไปบ้านได้ อ, อันนี้ก็ เป็นการพูดช่วงหยุดพักพูดเรื่องเบาๆเบาๆทางธรรมะแต่อาจจะหนักทางทางโลกทางร่างกายแต่ถ้าได้พูดแล้วก็ผู้ฟังก็อาจจะได้ความรู้บ้างจะได้ไม่ประมาทกันอย่าไปคิดว่าหมดแล้วเดี๋ยวจัดงานเลี้ยงได้แล้วจะมีวันเกิดแล้วก็รอไว้ก่อน เดี๋ยวแันที่จัดวันเกิดจะไปจัดวันตาย <laughs> จัดวันเกิดวันนี้เดี๋ยวอีกหกเดือนข้างหน้าไปจัดวันตายก็ได้ <laughs> นี่ให้คิดถึงอผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทําของเราในวันนี้เพราะมันไม่เกิดขึ้นปุ๊บทําปุ๊บไม่ได้เกิดปั๊บขึ้นมาทันทีนอ่วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ค่ะวันนี้ วันนี้ทาง Facebook 539 YouTube 284กิีวิทยุออนไลน์1ิบรวมทั้งสิ้น833าสาท่านค่ะมีคำถามก็ถามได้เลยค่ะคำถามแรกทาง YouTube นะคะคุณวิชัยค่ะขอกราบนามส ก, การเรียนถามดังนี้ครับจิตรวมใหญ่จิตเข้าอั ป, ปนาสมาธิจิตเข้าฌานสี่เข้านิโรธสมาบัติ จิตรวมใหญ่เข้าถึงฐานสภาวะดังกล่าวนี้เป็นสภาวะธรรมเดียวกันหรือไม่ครับก็ทําไปเถิดเดี๋ยวก็ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันขอให้มันเข้าไปเถอดขอให้มันสงบขอให้มันมีความสุขขอให้มันเป็นดูเบกขาก็ใช้ได้แต่ละคนมันความสามารถที่จะเข้ามันเข้าหลายได้หลายระดับด้วยกันแต่ระดับ แต่ผลที่เราต้องการก็คือความสงบความสุขความเป็นอุเบกขาของใจ เ, เวลาถอนออกมาใจยังมีอุเบกขาตกค้างอยู่ในใจที่ยังทำให้ใจนี้ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาให้สัมผัสรับรู้แล้วก็ทำให้ใจพร้อมที่จะศึกษาความจริงมองโลกในแง่ลบได้ เพราะโดยปกติคนที่เคยมองโลกมองโลกในแง่บวกนี้พอให้มามองโลกในแง่ลบนี้จะมองไม่ได้เช่นคนที่ไม่เคยเคยมองชีวิตว่าจะสดใสไปทั้งแต่พอให้มาพิจารณาความตายนี้ไม่กล้าพิจารณาพิจารณาไม่ได้เพราะจิตมันถูกความหลงหลอกให้มองแต่ว่าสวยงามแต่พอมาคิดถึงสภาพที่ไม่สวยไม่งามสภาพเสื่อมโทรมนี่ มันไม่กล้าคิดคิดแล้วมันก็เกิดอาการรู้สึกหดหูใจขึ้นมาแต่ถ้ามีสมาธิแล้วออกจากสมาธิมามีอุเบกขามาด้วยใจจะเป็นกลางใจจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่มีอคติให้ไปรักร่างกายจนเกินไปพอสอนให้พิจารณาร่างกายว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะพิจารณาได้จะเห็นได้ เราจะเอามาจุดเอามาจำมาคอยสอนใจต่อไปว่าอย่าไปคิดว่าร่างกายเราจะไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายที่เราที่เราคิดว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เพราะเราไม่คิดมันนั่นเองเราคิดว่าเราจะเป็นสาวอย่างนี้ที่เอเป็นสาวเป็นหนุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆมองกระจกทีไรก็สาวก็หนุ่มอยู่เรื่อยๆมันก็เลยทำให้เราประมาทได้แต่พอเรามานึกถึงการเวลาที่จะต้องผ่านไปผ่านไป ไม่ช้าก็เลวร่างกายมันในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายงั้นคนแก่คนเจ็บคนตายเขามาจากที่ไหนเขาก็มาจากคนหนุ่มคนสาวอย่างพวกเราเนี่ยแต่ใจมันไม่ยอมคิดนะถ้ามันไม่มีอุเบกขาใจมันอยากจะคิดแต่ทำไงให้สาวขึ้นให้หล่อขึ้นให้หนุ่มขึ้นมันจะไม่ไปคิดว่าเดี๋ยวกูจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วพอคิดมันก็เลยหดหู่ใจขึ้นมา เลไม่ไม่กล้าคิดไม่ยอมคิดแต่พอได้สมาธิแล้วจิตมีอุเบกขาแล้วทีนี้พระพุทธเจาสอนบอกต้องคิดนะเพราะมันจะต้องเกิดขึ้นเราก็ต้องเตรียมตัวปรับใจให้ยอมรับกับความจริงของร่างกายนี้ให้ได้เพราะถ้าเรารับได้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์เวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายนั่นเองไม่ต้องไปกังวลในเรื่องจิตในสมาธิแบบต่างๆชาน อะไรต่างๆแบบนี้มันเป็นชื่อมันคนปฏิบัติบางคนมันไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นก็ได้ขอให้มันถึงขั้นอุเบกขาที่มันสามารถเอามาใช้กับการเจริญปัญญาได้ก็พอคำถามต่อไปเป็นคำถามฝากถามค่ะหากว่าสามีถือสิน8แต่ภรรยาถือสินห้าภรรยาเข้าไปจับมือถูกเนื้อต้องตัวสามีแต่สามีไม่ได้รู้สึกอะไร และแบบนี้สินแตกของสามีจะขาดไหมคะและภรรยาจะบาดไหมคะการแตะเนื้อต้องตัวกันนี้มันยังไม่มันยังไม่ขาดหรอกมันจะไปขาดเมื่อมันนอนเสพเสพการด้วยกันมีเพศสัมพันธ์มันถึงจะขาดแต่มันก็เหมือนกับไฟนะไฟอยู่ดีๆมันไม่ลุกหรอกถ้าถ้ามันไม่มาเข้าใกล้กันถ้าเชื่อเพลิงกับไฟมันอยู่ห่างกันไม่มาสัมผัสกันมันก็ไม่ลุกขึ้นมา แต่ถ้ามีไม้ขีดก้านเล็กๆนี่ไปจุดใส่ตรงน้ํามันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ลุกกลายเป็นไฟที่ดับไม่ได้ท่านถึงพยายามห้ามอย่าไปแตะเนื้อต้องตัวกันอย่าไปอยู่ในที่เปี่ยวสองต่อสองเพราะเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันจะยับยังไม่อยู่ฉนั้นวิมาัตการที่เ็าให้ไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันนี้เป็น เป็นนาตการเพื่อช่วยรักษาศีลให้บริสุดแต่แต่ไม่ใช่เป็นตัวที่เป็นตัวศีลโดยตรงนะอาจบ า, างครั้งบางขราวพังเผอเช่นบางทีญาติโยมถวายของมาแล้วไปแตะเนื้อกันไปถูกมือกันแป๊บหนีอันนี้ ก, ก็มันก็ยังไม่ผิดศีลนะแต่ท่านก็มีวิธีแก้ว่าให้ทอดผ้าดีกว่าทอดผ้าแล้ว ญาติโยมที่เป็นสุภาพสตรีเวลาของถวายก็วางไว้บนผ้ามือก็จะได้ไม่ต้องไปไ ป, ไปถูกกันค่ะคำถามต่อไปค่ะทำไมคนเราจะคิดถึงแต่อดีตคะทำไมไม่นึกถึงอนาคตและสิ่งที่และสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันคะอยากหลุดพ้นค่ะไม่อยากคิดแต่เรื่องในอดีตค่ะ อ๋มันคิดทั้งอดีตทั้งอนาคตแหละเพียงแต่ว่าบางช่วงบางเวลามันอาจจะเป็นหนักไปทางอาดีตถ้าอาดีตที่มันแสนหวานแล้วมันหายไปมันก็อยากจะคิดถึงอดีต응ขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าอนาคตมันหวานรออยู่มันก็ไม่คิดถึงอดีตแล้วถ้าจะมีนัดแต่งงานกันเดือนหน้านี่มันไม่คิดถึงอดีตนะ <laughs> มันก็จะคิดแต่นาคคนว่าจะแต่งชุดอะไรดีจะจัดงานเลี้ยงที่ไหนดีจะเชิญใครดีนั้นมันอยู่ที่เหตุการณ์ออ้ที่ว่าคิดแต่อดีตเรื่องนาคตนี่มันก็อยู่ว่าช่วงเวละของจิตใจของชีวิตว่าตอนนั้นช่วงนั้นมันไปมีอะไรไปดึงให้จิตไปคิดไปในทางไหนส่วนใหญ่มันก็แล้วแต่เหตุการณ์พาไปถ้าสูญเสียคนที่รักไปมันก็จะนั่งคิดถึงแต่อดีต อของคนรักโอ้ยเคยมีความสุขกับเขาตรงนั้นมีความสุขกับเขาตรงนี้คิดอยู่นั่นจำอสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่เขาจะเขาจะคิดถึงอนาคตอย่างไรโอ้ต่อไปเราจะมีแฟน <Yeah. S 1> คนนั้นคนนี้อะไรนั่นมคิดนะ่ะมันคิดอยู่ทั้งนั้นมันไม่ได้เฉพาะอาดีตหรืออนาคตนะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยอยู่กันนะอันนี้รับรับรับประกันได้ก่อนที่จิตอยู่ปัจจุบันก็อยู่แค่แวบเดียวอยู่เท่าที่จําเป็น อยู่ให้รู้ว่ากําลังทําอะไรอ๋อกำลังทํานี่ปุ๊บท่านเองพอตากข่าวเขาตากปุ๊บก็ไปอดีตต่อแล้วแล้วเดี๋ยวตากข้าวเข้าตากก็มาดูปัจจุบันใหม่มันจะอยู่กับปัจจุบันแค่เท่าที่จําเป็นเทส่วนใหญ่มันจะไปกับอดีตไปกับอนาคตเสีมากกว่านอกจากผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้จะเดิงจิตให้อยู่ในปัจจุบันถ้าปฏิบัติได้สมบูรณ์นี่จิตจะเป็นปัจจุบันอย่างเดียว ที่จะรู้เลยว่าอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีอดีตก็เป็นความคิดส่งไปหามันอนาคตก็เป็นความคิดส่งไปหามันแต่ปัจจุบันมันก็มีแค่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแค่เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้เท่านั้นเองคําถามต่อไปจากคุณดาวค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะขอเรียนถามว่ามีคนบอก หนูว่าเราควรจะปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมเจ็เปอร์เซ็นต์ตักบาทรทำบุญเข้าวัดส0เปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมเจ้าคะคือเวลาเริ่มต้นนี่เราก็ควรจะหนักไปการทาบุญรักษาศีลก่อนเพราะว่ามันง่ายกว่าการที่จะไปปฏิบัติภาวนา แล้วภาวะของการคองเลือนก็ไม่เอื้อต่อการภาวนาการปฏิบัติก็ต้องอาศัยการสร้างทานสร้างศีลขึ้นไปก่อนเพราะการทำทานอยู่เรื่อยๆจะลดความอยากใช้เงินไปซื้อความสุขชนิดต่างๆได้เพราะการทาบุญทำทานนี้ให้ความสุขแบบอิ่มใจสุขใจ ทำให้ไม่หิวโหวยกับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะลดการที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อลดการใช้เงินทองก็อาจจะทาให้ไม่จำเป็นจะต้องหาเงินมากขึ้นทำก็ทางานให้น้อยลงได้ทางานให้น้อยลง การรักษาศีลก็ง่ายขึ้นเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโกหกหลอกลวงหรือช่อโกงเพื่อให้ได้เงินมามากๆเหมือนตอนที่ต้องการใช้เงินตอบสนองความอยากต่างๆก็จะทำให้เริ่มมีเวลามากขึ้นเวลาที่จะได้เอามาปฏิบัติทางภาวนาได้มากขึ้นก็จะก็จะเริ่มภาวนาพอภาวนาไปได้แล ระดับหนึ่งเห็นผลดีขึ้นก็จะก็จะเริ่มปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ลดการกระทําทางอื่นการหาความสุขทางอื่นให้น้อยลงแล้วต่อไปก็อยากจะปฏิบัติเต็มร้อยก็ออกบวชตอนนั้นก็ทําทานไปหมดเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็ทําไปให้มันหมดไปเลยยกให้คนอื่นไปเพราะเราไม่ต้องอาศัยทานเป็นเครื่องมือในการ ปฏิบัติแล้วเราใช้การภาวนาเป็นเครื่องมือการปฏิบัติเนี่ยยิ่งในเบื้องต้นมันจะหนักไปทางทานก่อนทางศีลก่อนนะภาวนาก็เท่าที่มีเวลาต่อมาถ้าภาวนาได้ผลดีก็อยากจะภาวนามากขึ้นก็จะทำให้ทาทานคือทาทานให้มากขึ้นแบบทาแต่ทำให้น้อยลงคือให้มันเสียเวลาน้อยลง ทานนี้ทํามากได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาบริจากเงินทีเดียวให้มันหมดไปเลยมันก็หมดปัญหาไปไม่ต้องมาคอยแบ่งใส่บาทวันนี้ใส่บาทพรุ่งนี้แบ่งเงินให้มูลนิธินั้นมูลนิธินี้มันก็มาเหน็ดเหนื่อยกับการทําทานอยู่อย่างนั้นแต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เข้าถึงขั้นภาวนาะเราก็อาจจะจะทําแบบนี้ก็ทําไปก่อน แต่พอเริ่มภาวนาเป็นแล้วมันจะเริ่มเห็นเรื่องต่างๆยุ่งยากไปหมดทําทานเมื่อก่อนต้องไปวัดนั้นไปวัดนี้หรือต้องไปทํากระถินต้องไปป่าป่าหรือทําอะไรต่างๆต่อไปก็อาจจะบริจากไปเลยที่ไหนก็ได้ที่เราเห็นว่าเดือดร้อนน่าต้องการความช่วยเหลือเช่นตอนนี้บางคนก็บริจากให้โรงพยาบาล10บโรงพยาบาลแบ่งไปไปแล้วก็หมดปัญหาไป แล้วก็เอาเวลาไปภาวนาได้เลยเพ่าะนี้นนีผู้ปฏิบัติก็จะรู้เองว่าควรจะทามากอะไรมากน้อยต่อไปขึ้นอยู่ว่าการเจริญทางปฏิบัติมากน้อยถ้าการเจริญทางปฏิบัติมากขึ้นมันอยากจะตัดพาละต่างๆให้น้อยลงไปอยากจะมีเวลาปีกวเว้อยู่คนเดียวปฏิบัติให้มากขึ้นไปเอง อันนี้มันไม่มีสูตรตายตัวไม่ใช่มานั่งจัดวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้กี่เปอร์เซ็นต์เดือนหน้ากี่เปอร์เซ็นต์นะให้ดูการปฏิบัติขอให้เราค้นให้เรามุ่งไปที่การปฏิบัติการทําทานรักษาสีนี้เป็นการเหมือนกับเปิดทางให้เราได้ไปปฏิบัติคําถามต่อไปจากคุณสิริวันค่ะหนูขออนุญาตเรียนถามในเรื่องของความอยากค่ะสัมผัสความสัมผัสระหว่างเพศ ถ้าผู้ปฏิบัติเบื้องต้นอยากจะละเรื่องแบบนี้ต้องใช้มปัญญามองถึงโทษในเรื่องนี้อย่างไรคะมันก็ต้องขั้นต้นก็อย่าไปอยู่ใกล้กันได้ดีถ้าอยู่ใกล้กันมองไงก็มันมองได้แต่พอถึงเวลามันเกิดไฟลุกขึ้นมามันก็มองไม่เห็นแล้วเวิธีที่ดีที่สุดก็คือแยกกันอยู่ให้ได้อย่าอยู่ด้วยกัน ถ้ายังอยู่ด้วยกันนี้ก็ต้องนึกถึงส่วนที่ไม่ที่น่าเกลียดของคู่นอนของเราคิดถึงกลิ่นตัวที่เหม็นสาบคิดถึงอุจจาระของเขาคิดถึงปัสสาวะของเขาคิดถึงอวัยวะตับไตไส้พุงอะไรของเขาเนีมันถึงจะทำให้เราลดความอยากในการเสพกามกับเขาได้คำถามต่อไปจากคุณสง่าค่ะขอกราบสอบถามพระอาจารย์ครับ เพื่อนที่ทำงานมีปัญหาบ่อยครั้งเพราะเขาขาดสติขาดปัญญาไม่ได้ใช้หลักทาคาสอนมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกันผมเห็นและรู้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานผมมีส่วนช่วยได้อย่างไรบ้างครับก็ต้องดูความสามารถของคุณคุณอยู่ในสถานภาพไหนคุณสั่งเขาได้บอกเขาได้หรือเปล่าพูดแล้วเขาเชื่อฟังคุณหรือเปล่าถ้าเขาไม่เชื่อไม่ฟังคุณคนคุ ณ, คณ พูดไปก็เหมือนกับเทน้ำใส่หลังหมาก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาเดี๋ยวกายเป็นเป้าให้เขาหมั่นไส้เอาเปล่าๆเห็นั้นการที่เราจะทำอะไรกับใครนี้เราต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังเราหรือไม่ถ้าเ้าไม่พร้อมที่จะรับฟังไม่ยินดีที่รับฟังก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาคำถามต่อไปจากคุณสวรรค์ทองค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการเดินจงกรมกําหนดจิตพุทโธพุทโธกลับไปมาให้สติรู้ว่าพุทโธพุทโธต่อเนื่องกับก้าวเดินแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ดูว่าหยุดความคิดได้หรือเปล่าถ้าอยู่กับพุทโธได้จะอยู่กับพุทโธอยู่กับเท้าก็ได้หรืออยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องดูว่าแล้วความคิดมันหยุดหรือเปล่าหรือ ย, ยังคิดด้วยกันอยู่ พุโทโธไปยังคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องอย่างใช่ไม่ได้ต้องดึงให้อยู่กับพุโทโธอย่าไปสนใจกับความคิดต่างๆคำถามต่อไปจากคุณพาจาันค่ะโยมทําสมาธิโดยการทําลมพอจิตเคริ้มๆลงไปปรากฏว่าลมหายใจหายไปกายหายไปแต่มีความรู้สึกตรงปอดว่ามีลมเข้าออกอยู่จึงกําหนดรู้ลมไว้ที่ตรงปอด อีกสักพักก็รู้สึกจิตเคลิ้มๆ ล, ลมหายใจก็มีขึ้นกลับเรียนถามว่าอาการอย่างนี้กำหนดอย่างไรและต้องทำอย่างไรต่อไปค่ะก็ดูไปดูลมไปมันจะอยู่ที่ปอดหรืออยู่ที่ไหนก็ดูมันไปให้มีสตู ร, รับรู้อยู่เฉยๆเพราะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ยังไม่นิ่งก็ดูมันไปเรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณอาจารย์รบ ค, ค่ะ กลาบเรียนถามว่าเวลาผมั่งสมาธิมีความรู้สึกสงบแต่พอออกจากสมาธิก็ทุกทุกทีทุกอีกมีความรู้สึกไม่อยากออกไม่อยากออกจากสมาธิแต่ก็ต้องใช้ชีวิตบางครั้งไม่อยากทำสมาธิเพราะต้องออกมาเจอทุกอีกผมควรปฏิบัติอย่างไรดีครับก็เวลาออกมาก็ต้องชื่อเรื่อสติต้องอย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งพยายามให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไป หรือถ้าจะใช้ปัญญาได้ก็คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันไม่เป็นสุขอย่างแท้จริงสุขเดียวเดียวเดี๋ยวก็ต้องทุกข์อย่าไปอยากดีกว่าอย่าไปทำตามความอยากดีกว่าอย่าไปอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้พราะอยากแล้วถ้าเขาไม่เป็นไปตามความอยากมันก็จะทำให้เราทุกข์ใช้ปัญญาก็ได้ใช้สติก็ได้ใช้สติก็พุโทโธพุโทโธไป คำถามต่อไปจะคุณโป่งฟ้าค่ะขอทราบแนวทางในการตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผลเพราะตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งใดให้ได้แต่มักจะพลาดไปไม่ได้ทําตามที่ตั้งอธิษฐานไว้ค่ะการอธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นการขอผลการอธิษฐานนี้เป็นการตั้งเป้าในการกระทำํำถ้าเราต้องการผลคือความสงบเราก็ต้องตั้งเป้าอยู่ที่การเจริญสติ ต้องบังคังใจเราให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเมื่อมีสติแล้วความสงบก็จะตามมาคำถามต่อไปจะคุณเกติศัก่ะบางครั้งมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะตอนนั่งคุยกับคนอื่นหรือเวลาทำงานเหมือนเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอะไรรอบๆตัวคือความฝันเกิดเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้คืออะไรคะ มันก็ความรู้สึกนึกคิดของเราก็ให้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปความรู้สึกนึกคิดนี้มันก็เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปขอให้เรากลับมามีสติดีกว่าให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปรู้กับความรู้สึกนึกคิดต่างๆคำถามต่อไปจากคุณธิดาค่ะขอคำแนะนำค่ะโยมทาวัดเย็นเสร็จแล้วนั่งภาวนา ต่อมีความรู้สึกมีความรู้สึกมืนหัวเหมือนหัวพองโตแต่ยังคงกําหนดพุทโธและลังเลจะถอนออกหรือไม่นึกถึงคำของพระอาจารย์จึงนั่งต่อไปพุทโธยังคงอยู่แต่เหมือนลมหายไปเป็นอย่างนี้และเมื่อถอนออกจากการภาวนาอาการปวดนั้นกลับจะไม่มีจากนี้ไปควรทำอย่างไรต่อไปคะก็ทำต่อไปเวลาออกจากสมาธิก็เจริญสติต่อไปพุทโธต่อไป หรือเจริญปัญญาพิจนาไตาลักอ น, นิจังทุกขังอนัตตาไปก็ได้คะคำถามต่อไปจากคุณสิรินทิพย์ค่ะถ้าหนูจะต้องบวชชีเพื่อช่วยคุณแม่เป็นโรคหัวใจอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้มีโรคโควิดหนูบวชชีแล้วขอข้อปฏิบัติธรรมที่ที่จะทำที่บ้านได้ไหมคะ อ, อ๋อบวชชีนี้ไปช่วยรักษาโาครคภัยไข้เจ็บไม่ได้การบวชชีนี้มารักษาโรคใจของผู้บวช ไม่เกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บของคุณแม่บวชทีแล้วไม่ใช่คุณแม่จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแต่อย่างได้การบวชนี้บวชเพื่อมารักษาโรคใจคือความทุกข์ใจต่างๆด้วยการกําจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการภาวนาด้วยการรักษาศีลให้มั่นคงแล้วก็ภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา คำถามต่อไปค่ะถ้าคารวะมีหนี้สินแต่ใจมุ่งสงบยอมสละทรัพย์เพื่อไปภาวนาและไปปฏิบัติธรรมจะเป็นการหนี้ภาระไหม่จะเป็นการหนีภาระไหมเจ้าคะถ้ามีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ให้หมดก่อนนะถ้าไม่ใช้หนี้แล้วหนีไปบวชก็ถือว่าหนีภาระนั่นเองเพราะฉนั้นมีภาระอะไรก็ต้องชดใช้ภาระให้หมดไปก่อนแล้วค่อยไปบวชหรือไปบวชแบบ ชั่วคราวไปก่อนแล้วก็กลับมาใช้นี่ต่อไปให้มันหมดเวลาไม่มีนี่ไม่เคยคิดบวชนะค่ะคำถามต่อไปค่ะจะวางจางอย่างไรไม่ให้เศร้าหมองครับพระอาจารย์เหมือน เ, เวลาเจอใครที่มีความทุกข์เช่นคนคนจนคนป่วยคนแก่จะทําอย่างไรให้จิตใจเราไม่ยึดติด จ, จนเกินความทุกข์ครับจนเกิดความทุกข์ครับทําใจให้เป็นอุเบกขา พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นเขามาพุโทโธพุโทโธทําใจให้นิ่งแล้วใจจะเป็นอุเบกขาแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับความทุกข์ต่างๆของคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีน้ําใจหรือไม่มีความเมตตาและกรุณาเพียงแต่ว่าเราทําใจให้เราไม่ทุกข์ก่อน ส่วนเรื่องของคนอื่นถ้าช่วยเหลือเขาได้อย่างไรก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เท่านั้นเองแต่จะไม่ไปทุกข์ใจไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะเรามีอุเบกขาถ้าเรามีสมาธิต้อ า, ามีพุโทโธพุธโทโธค่ะคำถามต่อไปจะคุณสมชายค่ะถ้าจิตนิ่งแล้วควรทำอย่างไรต่อไปครับควรพิจารณาหรือนั่งสมาธะต่อไปครับเวลานั่งสมาธิให้จิตนิ่งก็ให้มันนิ่งอย่างเดียว มันนิ่งก็พยายามรักษาให้มันนิ่งไปนานๆานด้วยสติให้สักแต่ ว, ว่ารู้เวลาใจจะเริ่มคิดก็หยุดมันให้มันนิ่งต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่าปล่อยให้มันคิดพอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มอยากจะลุกอยากจะไปทำอะไรต่อเหตนเวลานิ่งแล้วพยายามรักษาความนิ่งด้วยการมีสติคอยควบคุมความคิดต่อไปส่วนการจะพิจารณาทางปัญญาไว้รอให้ออกจากสมาธิก่อน พอจากสมาธิแล้วจะไปทำอะไรจะไปเดินจงกรมก็ใช้พิจารณาทางปัญญาได้พิจารณาไตลักษ์ในร่างกายก็ได้ในเวทนาก็ได้หรือในสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ได้คำถามต่อไปจากคุณสง่าค่ะกลับเรียนถามครับพระอาจารย์เพราะสาเหตุอะไรครับกระผมฟังธรรมก็หลายรูปเทศจิตใจยังไม่เข้าในธรรมสักเท่าไหร่ แต่มาฟังพระอาจารย์เทศหลักธรรมไม่นานผมก็รู้สึกตัวหลายเรื่องเป็นเพราะอะไรครับพระอาจารย์อาจจะถูกยากันมั <c> ้ง <oughs> คนบางคนฟังเทศเราเขาก็ไม่รู้เรื่องก็มีงั้นแล้วแต่ภูมิปัญญารือแล้วแต่จลิตของแต่ละคนคนบางคนเหมือนยาหมอบางทีเป็นหมอหมอให้ยาคนไข้เหมือนกันแต่คนเองมี ปฏิกริยาตอบสนองที่ดีกว่า อ, อีกคนหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่คนเราไม่เหมือนกันคำถามต่อไปจะคุณโรงชัยค่ะขอกราบเรียนถามครับการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นกําหนดสติที่ในจิตในจิตทั้งหลายนั้นทำอย่างไรครับและต้องผ่านสติที่กายและเวทนาไปก่อนใช่หรือไม่ครับใช่อย่าพึ่งไปทางจิตเนละเบื้องต้นขอให้มีสตินั่งอาณนะนั่งดูลมหายใจเข้าออกให้ได้ก่อน ทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเจริญสติดูร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็เวทนาแล้วค่อยจิตตามลำดับต่อไปคำถามต่อไปจากคุณดีเซลค่ะกระผมนั่งสมาธิภาวนาพุทโธเวลากลืนน้ำลายมักจะไปรบกวนจิตที่กําลังภาวนาจึงขอเรียนถามว่าเวลากลือน้าลายขณะกาลังภาวนาจะต้องกาหนดอย่างไรครับ อย่าไปเกินน้ำลายอย่าไปสนใจกับน้ำลายเวลาภาวนาให้สนใจกับลมหายใจหรือพุโทโธที่เราใช้เป็นเครื่องกำกับใจส่วนเรื่องอื่นมันจะเป็นยังไงปล่อยมันไปน้ำลายมันจะไหลมันจะอะไรก็ปล่อยมันไหลไปไม่ต้องไปเกินมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันร่างกายจะเองไปทางซ้ายเองไปทางขวาก็ไม่ต้องไปปรับมันร่างกายคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปเกามันให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธ หรือถ้าเราใช้ลมก็อยู่กับลมไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นเนื่เดี๋ยวเรื่องอื่นต่างๆมันก็จะหายไปเองคําถามต่อไปจากคุณสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค่ะขอใช้ชีวิตแบบไหนจะไม่เครียดในช่วงโควิดค่ะก็ต้องทําใจให้สงบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามอย่าไปคิดถึงเรื่องโควิดมากเกินไป รู้เท่าที่ควรจะรู้ก็พอแล้วก็มาเอาเวลามาฝึกสติพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากดีกว่าแล้วใจก็จะไม่เครียดคำถามต่อไปจากคุณปุ๋ยค่ะถ้าโยมทำบุญปฏิบัติภาวนาอยากจะให้พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตได้รับบุญด้วยต้องทำอย่างไรดีคะเคยได้ยินว่าร่างกายนี้ได้รับมาจากพ่อแม่ หาเราทําบุญทําทานจะได้บุญด้วยจริงไหมคะถ้าอยากให้พ่อแม่ได้บุญก็ต้องชวนพ่อแม่ไปทําบุญชวนพ่อแม่ไปแล้วก็ต้องเป็นความสมัครใจของพ่อแม่ต้องเป็นเงินทองเข้าของของพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เราเอาเงินทองของเราชวนพ่อแม่ไปทําพ่อแม่เพียงแต่ไปเออจับของหน่อยถวายอะไรหน่อยพ่อแม่จะไม่มีความรู้สึกได้บุญอะไร พพ่อแม่ไม่ได้เสียสละอะไรนะการทำบุญเพื่อให้เกิดบุญนี่ต้องเกิดจากการเสียสละของผู้ให้นะแล้วจะเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเราทำได้อย่างมากก็ชวนชวนท่านไปร่วมบุญด้วยส่วนท่านจะร่วมหรือไม่ร่วมจะทำหรือไม่ทำนี่เราก็ไปบังคับท่านไม่ได้หมดแล้วเหรอเห็นว่า คราวหน้าจะมีภาษาอังกฤษหรืยอยัง ว, วันอาทิตย์หน้านี่วันพระรหัสมันจนันนะวันวันที่สี่นี่จะเป็นช่วงมีภาษาอังกฤษคำถามภาษาอังกฤษวันนี้ก็มีญาติโยมจากแคนาดาเข้ามานิมนต์ให้ไปซูมกับเข้าหน่อยว่าตอนนี้เขามี โปรแกรมที่สามารถที่จะให้คนมาฟังพร้อมๆกันได้หลายๆคนเขาเรียกว่า Zo ูมเขาบเขาจับกลุ่มกันทุกวันอาทิตย์เขาจะไปปฏิบัติธรรมกันเขาก็เลยอยากจะให้เราไปไปพูดหรือไปร่วมสนทนาธรรมกับเขาในวันอาทิตย์เราก็บอกก็ลองดูสิเขาบอก ของเรานี่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้เพียงแต่เข้าส่งลิงก์มาแล้วเรากดเล็กนั่งเข้าไปก็สามารถใช้ผ่านทางเบราว์เซอร์ได้เลยค่ะคือเราต้องดาวน์โหลดแอปของซีมก่ออ๋อต้องลงดาวน์โหลดต้องดาวน์โหลดด้วยเนี่ยคือจะมีแอปเท่านั้นเองค่ะอ๋อถ้าไม่มีก็ยังใช้ไม่ได้นอก็ดาวน์โหลดได้ง่ายค่ะพระอาจารย์อ่าได้มันก็ต้องอยู่กับเครื่องด้วยถ้าเครื่องเก่าบางที่มันก็อไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องใหม่อ แต่เรามีหลายเครื่องไม่ต้องกลัวมี i อ h ฟ n เจ็ดมี n o t ตแปดแต่เราใช้ส่วนให ญ, ญ่เราใช้หัวเวยที่ได้หัวเวยมันเก่ามันรู้สึกว่าจะใช้ a อ d ดร i d 6มหก้งอันนี้ a อ d ดรอ d มันขึ้นไปสิบแล้วเนี่ยก้าหรือสิบถ้าใช้หัวเว่ยนี้อาจจะอาจจะโหลดซูมมาไม่ได้เพราะมันต้องมีมีแพลตฟอร์มรองรับนัน แต่เรามีโน้ตโน้ตน่าจะได้นะโน้ตแน่าจะได้เดี๋ยวต้องทดลองดูไอโฟนเจ็ดก็น่าจะได้ยังใหม่ <c oughs> <Okay. S 2> โยไม่ต้องซื้อมาให้นะมีเยอะแยะพอพูดแล้วเดี๋ยวคนนั้นก็อยากจะซื้อมาให้ี <laughs> ไม่ได้พูดเพื่ออะไซื้อมาแล้วก็เป็นภานะถ้าไม่ได้ใช้มันก็ต้องมาคอยอัดแบตเตอรี่อยู่เรี่อยคอยอัปเดตมันอยู่เรื่อย เหนด้นนี้ไม่ต้องอมีเยอะแยะอโปรแกรมสูงน่าสนใจรรไรเขาว่าเดี๋ยวนี้ของของของเฟซบ o ๊กเขาออกมาใหม่เนี่ยเว่าใช้ได้ห้าสิบคนขึ้น <c oughs> มาไม่รู้ใช้ชื่ออะไรแต่เพิ่งได้ข่าวว่า facebook <c oughs> ก็จะมีเรียกเป็นทีมหรือเป็นอะไรเงี้ยเขไม่ทราบกลูเก้ก็มี Google ก็ห้าสิบคนเพราะเดี๋ยวนี้มันรู้เนี่ยพราะคนใช้กันเยอะ เพราะทุกคนอย่างนี้ต้องติดต่อกันแบบนี้สื่อสารแบบเป็นกลุ่มละสกายก็มีบางแต่สกายมันมันอาจจะไม่ได้กี่คนแล้วบางอย่างมันอาจจะต้องเสียเงินบางโปรแกรมมันฟรีแล้วแต่ของซูมนี่ฟรีใช่ไหมอ่ของฟรีเอ็ชายเขาบอกว่าเขาเาจะดูของเฟซบุกมาเนะเออเราทดลองดูว่าจะทายังไงได้คำถามจากคุณมิ้นค่ะ ในชีวิตนี้อยู่คนเดียวหรืออยู่แบบมีคู่ชีวิตดีกว่าคะก็ดีคนละแบบมีคู่ชีวิตก็ดีอย่างนึงสุขต้นแต่ทุกปลายเวลาแต่งงานกันใหม่ๆเวลาพบกันใหม่ๆมันก็ดีมันก็มีความสุขแต่อยู่ไปอยู่ไปแล้วต่อไปก็อาจจะมีเรื่องมีราวกันไม่มีเรื่องมีราวก็มีความห่วงใยกันแล้วเดี๋ยวเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บมีการเจ็บไข้ได้ป่วย มีความตายตามมาก็จะเกิดความทุกข์ใจาตามามาในภายหลังถ้าอยู่คนเดียวก็ทุกตอนต้นคือทุกกับความเหงาอะไรแต่พอชินแล้วมันก็จะไม่รู้สึกทุกข์อะไรก็อยู่คนเดียวไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้สุขได้เพราะอยู่คนเดียวก็จะมีโอกาสได้ไปศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมได้ถ้าอยู่สองคนก็แยกไปไม่ได้เพราะมันเป็นคนระทางกัน เอาคำถามสุดท้ายนะค่ะคำถามจากคุ ณ, ณนัทพลค่ะกราบยนถามพระอาจารย์ครับถึงคำหมายของคำว่าสวสดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินหน่อยครับก็มีความแรงทาไมเท่ากันเนี่เวลากินเวลาทายามันก็มันก็รักษาได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มไม่หายขาดแต่พอกินยายามันก็จะไปแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิด โลกที่เราใช้ยาทาให้หายขาดได้เพราะงั้นการสวดนมนต์ก็เป็นเพียงแต่เป็นการเจริญสติทำให้จิตสงบหายทุกข์หายกังวลชั่วคราวแต่ถ้าภาวนาด้วยวิปัสสนาเราก็จะทำให้กำจัดตัวที่มาทำให้ใจเราไม่สบายให้หายไปอย่างถาวรแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา